อันดับแรกนั่งตามสบายนะครับให้เริ่มจ้องมองดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าจดจํากลีบสีลสักษณะทั้งหมดให้เห็นถึงความสวยงามของดอกไม้ให้เห็นถึงความสดชื่นของดอกไม้สีสวยกลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ทําให้เรารู้สึกมีความสุข ยกดอกไม้ขึ้นมาดมกลิ่นเบาๆพอได้กลิ่นจดจำกลิ่นของดอกไม้ไว้ให้ดีนะครับหลังจากดมแล้วลองหลับตาเบาๆและนึกถึงกลิ่นถ้านึกไม่ออกก็ลองเอามาดมใหม่นะครับหายใจเข้าช้าลึกหายใจออกช้าลึก หายใจเข้าออกเอาที่เราสบายที่สุดนะครับแต่ละคนจะเข้าออกไม่เท่ากันถ้าใจใดีก็หายใจแบบสามจังหวะก่อนสักสามครั้งนะครับเอาดอกไม้ไว้ในอุ้ง ม, มือวางตรงไหนก็ได้ค่อยๆหลับตาเบาๆทำความรู้สึกไปทั่วตัวให้รู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะหน้าอกแขนขาท้องเท้า อวัยวะทุกส่วนในร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายหลับตาจินตนาการเหมือนเรากำลังไปอยู่ในสวนสวยบนภูเขาหรือสถานที่ที่เราชอบมีแต่ต้นไม้ดอกไม้บานสะพรั่งมีแสงสีทองอ่อนๆ อ, อ, อยู่ทั่วไปบรรยากาศเย็นสบายเหมือนหน้าหนาวทุกอย่างมีกลิ่นหอมสดชื่น กลิ่นดอกไม้ใบไม้ต้นหญ้ากลิ่นของธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายเบาสบายมีความสุขหายใจเข้าชา้าลึกจินตนาการถึงกลีบดอกไม้สวยงามมากมายพร้อมแสงสีทองอ่อนๆกับอากาศหน้าหนาวเข้ามาพร้อมกับลมหายใจกระจายเข้าไปในร่างกาย ไปอยู่ในทุกเซลกระจายเข้าไปในทุกอ น, นูในร่างกายเข้าไปทำให้ร่างกายเราสดชื่นหายใจเข้าช้าลึกพร้อมจินตนาการว่าสูตรเอากลีบดอกไม้สีสวยจำนวนมากกระจายเข้ามาพร้อมลมหายใจที่เต็มไปด้วยแสงสีทองและอากาศที่เย็นสบายปลอดโปรง่งทุกสิ่งจากรอบตัวไหลเข้ามาพร้อมกัน มีแต่ความสดชื่นสว่างสวัยกระจายไปทั่วร่างกายเข้ามาพร้อมกับลมหายใจกระจายไปในทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นเติมพลังชีวิตให้กับทุกเซลทําให้เม็ดเลือดแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอย่างที่สุด จินตนาการถึงกลีบดอกไม้สวยงามมากมายกำลังพุ่งเข้ามาพร้อมกับลมหายใจของเราเข้าไปทุกอนูในร่างกายตั้งแต่ศีรษะหน้าอกท้องเท้าแขนขาทุกส่วนของร่างกายเรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเป่าเบาสบายผ่อนคลาย หายใจเข้าช้าลึกหายใจออกช้าลึกบรรยากาศรอบตัวเย็นเบาสบายแสงสีทองในหน้าหนาวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามพลังธรรมชาติบริสุทธิ์ทุกอย่างรวมกันเข้ามาพร้อมกับลมหายใจของเราทำให้ร่างกายของเราสดชื่นผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าออกช้าลึก ความสดชื่นยังไหลเข้ามาทางลมหายใจสม่ำเสมอเมื่อหายใจออกให้จินตนาการนึกถึงความทุกข์ความไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บสารพิษต่างๆความซวยความขุ่นเคืองความอึดอัดคัดแน่นในร่างกายทั้งหมดให้ระบายออกไปกับลมหายใจออกทุกครั้งที่หายใจออกให้จินตนาการเป็นกลุ่มกา๊าซพิษสีดำหรือสีเทาออกมาจากทุกส่วนของร่างกาย ออกจากตวเราไปพร้อมกับลมหายใจจินตนาการให้กลุ่มก๊าซพิษต่างๆในร่างกายลงไปในพื้นดินทั้งจากลมหายใจก็พุ่งลงดินจินตนาการให้กลุ่มก๊าซ ส, สีดำไหลลงไปทางฝ่าเท้าแล้วก็พุ่งทะลุพื้นลงไปที่ผืนดินของเสียทุกอย่างจะไหลลงดินจะเปรีรวมกันอยู่ที่ดิน หายใจเข้ากลีบดอกไม้สวยงามพร้อมแสงสีทองและบรรยากาศอันชุ่มเย็นไหลเข้ามาในร่างกายทำให้เรารู้สึกสดชื่นเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกความทุกข์ความซวยโรคภัยไข้เจ็บความเครียดต่างๆระบายเป็นกลุ่มควันสีดำลงไปที่พื้นดินไหลลงไปในพื้นดินให้ลึกที่สุด ขณะนี้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายปลอดโปรง่งเบาสบายไปทุกส่วนหายใจเข้าช้าลึกให้นึกถึงใบไม้สีเขียวสีเขียวคือธรรมชาติคือความสมบูรณ์สีเขียวคือคอโอฟิลนึกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติความชุ่มเย็นของใบไม้สีเขียวทั่วป่าใหญ่ จินตนาการเห็นใบไม้สีเขียวชุ่มเย็นพุ่งเข้ามาพร้อมลมหายใจเข้าไปที่หัวแขนขาหน้าอกท้องเท้าพลังคอโรฟิลของพืชเป็นจุดกำเนิดของพลังชีวิตทั้งหมดพลังของใบไม้ทำให้ร่างกายเราสดชื่นผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าออกนึกถึงใบไม้เขียวสวยสดชื่น ไหลเข้ามาพร้อมกับลมหายใจทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมีความสุขร่างกายสดชื่นแข็งแรงพลังธรรมชาติพลังดอกไม้และใบไม้กระจายเข้ามาทั่วร่างกายทำให้เม็ดเลือดแข็งแรงทำให้สุขภาพแข็งแรงทำให้ร่างกายเราแข็งแรง หายใจเข้าช้าลึกให้นึกถึงกลิ่นของดอกไม้อันหอมสดชื่นหากนึกไม่ออกให้หยิบดอกไม้ขึ้นมาดมใกล้ๆนะครับสูตรให้ใจช้าลึกแผ่วเบากลิ่นดอกไม้กระจายเข้าสู่ในร่างกายตั้งแต่หัวใบหน้าลำคอหน้าอกแขนท้องขาเท้า กระจายไปทั่วร่างกายทำให้เรารู้สึกสดชื่นทำให้เซลล์ทุกเซลล์สดชื่นมีความสุขผ่อนคลายเบาสบายร่างกายเราเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้สูดหายใจช้าลึกแผ่วเบาดอกไม้ใบไม้และกลิ่นหอมมากมายหลายพันหลายล้านดอก กระจายเข้ามาในร่างกายเข้ามาพร้อมกับลมหายใจกระจายไปที่ใบหน้าลำคอหน้าอกแขนท้องขาเท้าดอกไม้ใบไม้และกลิ่นหอมไหลเข้ามาพร้อมกับลมหายใจวนเวียนอยู่ในร่างกายกระจายไปทั่วร่างกายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมีความสุข ร่างกายเราเต็มไปด้วยดอกไม้ร่างกายเราเต็มไปด้วยกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมอยู่ในร่างกายเรามากมายมีกลีบดอกไม้สวยสดอยู่ในร่างกายเรามากมายเราคือดอกไม้หอมเราคือดอกไม้ขณะนี้ร่างกายเราได้รวมกับดอกไม้หอมเป็นหนึ่งเดียวกันเราคือดอกไม้ทุกเซลล์ทุกอนูในร่างกายของเรา เต็มไปด้วยดอกไม้หอมสีสวยสดเราคือดอกไม้หอมที่มีกลิ่นหอมแผ่ออกไปรอบๆทําความรู้สึกส่งกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมแผ่ออกไปรอบๆร่างกายกลีบดอกไม้สวยและกลิ่นหอมกระจายออกไปทั่วร่างกายทุกส่วนของร่างกายกระจายกลิ่นหอมออกไปทําความรู้สึก ให้กระจายออกไปรอบๆร่างกายและส่วนหนึ่งให้จินตนาการเป็นกลีบดอกไม้สีสวยพร้อมกลิ่นหอมพุ่งออกจากกึ่งกลางระหว่างคิ้วกลีบดอกไม้สวยและกลิ่นหอมมากมายกระจายออกจากร่างกายและกึ่งกลางระหว่างคิ้วแผ่กระจายไปเป็นวงกลมรอบๆตัวกระจายไปสู่คนข้างๆกระจายไปให้เต็มห้อง กลีบดอกไม้สวยงามกับกลิ่นหอมจากร่างกายเรากระจายแผ่ออกไปจนเต็มบริเวณห้องกระจายออกไปให้ทั่วตึกทั่วบ้านทั่วหมู่บ้านค่อยๆแผ่กลิ่นหอมและกลีบดอกไม้ออกไปให้ทั่วหมู่บ้านตำบลเขตกระจายไปให้ทั่วจังหวัดไปถึงจังหวัดข้างๆครอบคลุมทั้งประเทศไทย กระจายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านกระจายความหอมและกลีบดอกไม้ไปให้ทั่วโลกห่อหุ้มโลกทั้งใบนี้ไว้ทุกคนในโลกนี้จะได้กลิ่นหอมและเบาสบายมีความสุขจากกลิ่นดอกไม้และกลีบดอกไม้สวยจากร่างกายของเรากระจายไปให้ทั่วจั ก, กรวาลอันันตจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดทุกพบทุกภูมิ จะได้รับกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมจากร่างกายของเราเรากระจายแผ่ไปทั่วหายใจเข้าออกช้าลึกผ่อนคลายเบาสบายยังคงได้กลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้วนเวียนอยู่ในร่างกายของเราและกลิ่นหอมนี้ก็กําลังกระจายออกไปรอบๆตัวออกไปครอบคลุมผู้คนทั้งหมดทั้งโลก ทั้งจักรวาล น, น้อมส่งกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมไปถวายบูชาแด่พระศาสดาของเราเราบูชาความดีของท่านด้วยกลีบดอกไม้สวยและกลิ่นหอมน้อมส่งกลีบดอกไม้สวยงามพร้อมกลิ่นหอมอันสดชื่นจากร่างกายของเราผ่านทางกึ่งกลางระหว่างคิ้วแผ่กระจายไป ส่งไปถึงบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านแข็งแรงสุขภาพดีหากท่านเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรอยู่ขอให้ท่านหายบรรเทาจากความเจ็บปวดขอให้ท่านรู้สึกหอมสดชื่นเบาสบายจิตใจเราเบาสบายผ่อนคลายขอความสุขนนี้จงมีแก่คุณพ่อคุณแม่แม้ว่าบางท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้ว อยู่ในภพภูมิไหนก็ตามขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีความสุขสดชื่นขอขมาในความผิดทั้งหมดเคยทำผิดพลาดเคยเกเรเคยดื้อดึงขอคุณพ่อคุณแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้ด้วยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจเป็นคนดีทําความดี นึกโปรยปลายดอกไม้กลีบดอกไม้กลิ่นหอมส่งไปรอบรอบตัวคุณพ่อคุณแม่สูดหายใจช้าลึกแผ่วเบาส่งกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมไปให้กับครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ผู้มีพระคุณส่งกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมไปให้กับเพื่อนเพื่อนคนรัก นึกถึงใครได้ก็ให้น้อมจิตส่งไปขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายได้กลิ่นหอมของดอกไม้โปรยปลายกลีบดอกไม้ไปรอบๆตัวพวกท่านขอให้ท่านมีความสุขสดชื่นแข็งแรงกระจายกลิ่นหอมและกลีบดอกไม้กระจายออกไปทั่วๆตัวแผ่ออกไปรอบๆตัวครอบคลุมทั้งห้องทั้งประเทศ ทั่วจักรวาลขอใหสัตว์ทุกสัตว์ทุกพบทุกภูมิมีความสุขสดชื่นเบาสบายผ่อนคลายขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆ ด, ดอกไม้หอมมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนอยากได้เราคือดอกไม้หอมเมื่อเราเป็นดอกไม้หอมไปในทุกที่เราก็จะได้รับการต้อนรับเราจะได้รับการชื่นชมจะมีแต่คนรักเมตตาเอ็นดูเราอยู่เสมอ ความสดชื่นของดอกไม้จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นกระปีก้กระเป๋าผิวพรรณเราจะสวยงามด้วยพลังของดอกไม้ใบไม้และกลิ่นหอมทุกอย่างจะไปกระตุ้นเซลล์ให้ทำงานได้ดีขึ้นเราคือดอกไม้หอมดอกไม้หอมคือเราต่อไปนี้เราจะเป็นดอกไม้หอมให้ทุกคนได้มีความสุข เราจะกระจายความสุขกระจายกลิ่นหอมออกไปอยู่เสมอให้ทุกคนมีความสุขน้อมส่งกลีบดอกไม้สวยพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นไปถวายแด่ในหลวงพระราชินีและบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอสถาบันกษัตริย์เป็นที่พึ่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยไปตลอดกาลผู้ใดกิดค้นลมสถาบันขอให้กลับใจและมีสติ ค, คิดได้เห็นความจริงไม่หลงผิดอย่างที่แล้วมาน้อมนึกโปรยปรายกลีบดอกไม้พร้อมส่งกลิ่นหอมจากตัวเราไปถวายแด่ในหลวงโปรยปลายรอบรอบพระองค์ท่าน ขอให้ท่านมีความสุขขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงและยอนนึกถึงบุญกุศลทั้งหมดที่ได้เคยทำมาตั้งใจอธิษฐานขอประมวลมาเป็นพลังอุทิศน้อมจิตน้อมใจขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุคยิ่งยืนนานปราศจากพระโรคาพาดทั้งหลายทั้งปวงเป็นร่มโพร่รมใส แก่ผระสนิกกรสืบไปข้าพเจ้าจะตั้งใจทำความดีจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จะเป็นนักเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์จะเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของแผ่นดินจะเป็นลูกที่ดีรักและเคารพพ่อหลวงตลอดไป น้ำแห้งไปก็แตกกระแหงมีพ ล, ลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเนี่ยรังเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่น ด, ดิน เราก็รู้พอต้องเหนืยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิน้นรอพอรู้พค่คอพอลังแห่งแผ่นดิน 我跟。